ส, สััมเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของพี่คนหนึ่งที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในบ้านผีสิงนานเกือบสิบปีบ้านหลังนี้เป็นตึกแถวอยู่ริมถนนและตรงข้ามบ้านเป็นซอยพดิบพดีเข้าตำ ร, ราทางสามแพร่งเลยครอบครัวผมได้ย้ายมาอยู่ตั้งแต่ผมเด็ก ซึ่งครอบครัวผมจะมีกันทั้งหมดห้าคนพ่อแม่ผมน้องชายและน้องสาวบ้านหลังนี้เป็นบ้านสร้างใหม่พอเข้าไปอยู่รแรกๆก็ยังไม่มีอะไรการเงินในบ้านผมก็เริ่มดีขึ้นจากการที่แม่ผมเปิดร้านช่วยพ่อผมหาเงินอีกทางหนึ่งรลอจ้างแม่บ้านมาเพิ่มอีกคนในช่วงรแรกๆคนในบ้านผมจะยังไม่เจออะไร จะมีบ้างที่ได้ยินเสียงแปลกๆหรือเห็นอะไรหางตาแวบๆจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งแม่ผมฟันว่ามีวิญญาณเร่ร่อนดูทนทุกข์ทรมานมายืนอยู่ที่ปลายเตียงและขออยู่ด้วยเขาบอกว่าเขาทรมานมากเขาไม่มีที่สิงสถิตเลยไม่มีใครเอาของมาไหว้เขาขออยู่กับแม่ด้วยขอกินบุญของคนในบ้านนี้ ในฝันแม่ผมกลัวก็กลัวแต่สงสารมากกว่าเลยตอบกลับไปว่าได้เพราะผมได้ฟังแม่เล่าดังนั้นผมก็อึ้งไปเลยโห้ไม่ถามกันสักคำต่อมาก็มีวิ ญ, ญญาณพวกนี้มาขออยู่ด้วยเยอะขึ้นแม่ฝันทุกวันไม่ซ้ำหน้าแม่ผมก็ใจดีให้อยู่หมดผมก็แอบสงสัยว่า มันไปปากตบปากว่าบ้านนี้เขาให้อยู่หรือเปล่าจนบ้านนี้กลายเป็นบ้านผีสิงในที่สุดคนในบ้านพบเจอสิ่งแปลกแปกมาโดยตลอดและมันก็เริ่มหนักขึ้นทุกๆวันเพราะแม่ผมไม่คัดวิญญาณเลยบางตัวก็ดีบางตัวก็ร้ายส่วนคนที่มักจะเจอผีอยู่บ่อยๆช่วงแรกจะเป็นผมและแม่ส่วนพ่อน้องชาย และน้องสาวไม่ค่อยเจอถ้าเจอก็จะเจอบ้างแบบแ ป, ปลายต่อไปนี้จะเป็นเรื่องผีที่ผมจะนํามาเล่าอาจจะไม่ต่อเนื่องสลับช่วงเวลาบ้างเพราะมันมีหลายเรื่องมากและมันก็นานมาแล้วผมจะเล่าเท่าที่ผมจะจําได้ก็แล้วกันผีเปิดประตู บ้านผมการที่พวกแอร์พัดลมวิทยุทีวีเปิดเองเปลี่ยนช่องเองได้เป็นเรื่องปกติมากจนคนในบ้านไม่มีคนกลัวแล้วแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมันแสดงอาพินิหารอยู่พอสมควรคืนนั้นผมกับน้องๆ น, นั่งดูทีวีอยู่ในห้องนอนอยู่ดีๆประตูก็เปิดเอง น้องๆผมกระโดดมากอดผมแน่นผมบอกไม่มีอะไรพี่ปิดประตูไม่แน่นเองผมพูดปลอบใจน้องผมไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วผมปิดแน่นตอนนั้นผมก็โมโหมากที่มันมาทำให้น้องผมกลัวผมเดินไปปิดประตูเสียงดังแล้วก็ล็อกกรอนประตูผมพูดเสียงดังว่าแน่จริงมึงมาเปิดล็อกแล้วเปิดประตูให้ได้สิ แล้วผมก็เดินไปนั่งดูทีวีกับน้องๆต่อเพราะผมนั่งลงไม่เกิน30วินาทีก็ได้ยินเสียงผมหันไปที่ประตูก็เห็นว่าตัวล็อกถูกแกะและลูกบิดประตูก็ค่อยๆหมุนออกแล้วเปิดอย่างช้าๆ น้องผมสองคนร้องลั่นผมรีบลุกไปปิดประตูอีกครั้งและล็อกบวกกับใส่กรอนประตูด้วยแล้วผมก็วิ่งมาปลอบน้องๆว่าไม่มีอะไรพี่ปิดไม่ดีเองว่าน้องจะหายจากตกใจผมก็ปลอบอยู่นานพอสมควรจากเรื่องนี้ที่ผมเล่ามาพวกคุณคงรู้แล้วว่าผมเป็นคนไม่กลัวผีไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอ แต่ที่ไม่กลัวเพราะเจอบ่อยจนชินผีเด็กสาวที่จอดรถหลังจากที่ผมจบจากมหาวิทยาลัยผมก็โชคดีได้งานเป็นเซลล์ขายเครื่องไทยเอกสารยี่ห้อหนึ่งแต่ผมต้องวิ่งสายปริมนณฑลซะส่วนใหญ่มีอยู่งานหนึ่ง ผมได้ไปเสนอที่โรงงานผลิตเม็ดโฟมแถวสมุตรปราการเพราะขับรถเข้าไปที่จอดรถก็มีเส้นสีขาวตีเป็นช่องจอดรถอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่มีอยู่ช่องหนึ่งมันเตะตาผมมากเพราะตรงปูนที่กันรอเขาเอาสีแดงมาทาแค่ช่องเดียวจากที่จอดรถทั้งหมด20คันตอนนั้นผมไม่ลังเลที่จะพุ่งเข้าไปจอดช่องนั้นเลย ทั้งทั้งที่จอดรถว่างอยู่ทุกช่องอาจจะได้ความที่ผมไปสายและขี้เกียจเลือกช่องบวกกับสีแดงนั้นมันเตะตาผมจริงๆทำให้ผมอยากจอดเพราะผมจอดรถเสร็จผมก็ยังไม่ดับเครื่องเพราะผมยังไม่ได้ผูกเนคไทระหว่างที่ผมผูกเนคไทยอยู่นั้นสายตาผมก็มองหายามเพราะมั่นใจว่า จะต้องมียามาไล่ผมไปจอดที่อื่นแน่ๆเพราะมันมีสีแดงอยู่ช่องเดียวคงเป็นที่จอดรถเจ้านายหรือห้ามจอดอะไรแบบนี้แล้วผมก็ได้ยินเสียงเคาะกระจกรถจากทางซ้ายมือของผมสองทีผมรีบหันไปมองพร้อมกับพูดว่าขอผูกนกไทแป๊บเดี๋ยวยายแต่ผมก็ไม่เห็นใครเลย ผมจึงมองหารอบรอบรถแต่ก็ไม่เจอซึ่งที่จอดรถนั้นเป็นลานกว้างมากต้องวิ่งไวมากๆถึงจะหลบสายตาผมทันเมื่อมองหาใครไม่เจอผมก็คิดว่าสงสัยหูฝาดไปเองจึงมองกระจกหลังผูกเน็คไทต่อสักพักก็มีเสียงเคาะกระจกจากกระจกหลังสองครั้งซึ่งตอนนั้น ผมกำลังมองกระจกหลังเพื่อผูกเน็คไทยอยู่แต่ผมก็ไม่เห็นใครอยู่ข้างหลังเลยผมเริ่มเมตใจแล้วว่ามันแปลกแต่เอ๊ะหรือว่าเสียงวิทยุผมเลยปิดวิทยุแล้วก็นั่งรออย่างตั้งใจฟังตอนนี้ผมไม่รีบแล้วเน็คไทช่างมันลูกค้าช่างมันผมอยากรู้ว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่ ทุกอย่างในตอนนั้นเงียบสงบสักพักก็มีเสียงเคาะที่กระจกทางขวาฟังคนขับที่ผมนั่งอยู่ผมรีบหันไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่เจอใครจึงชะโงกหน้าไปดูข้างๆรถไม่แน่มันอาจจะนั่งอยู่ข้างๆรถก็ได้แต่แล้วมันก็ไม่มีใครครั้งนี้ผมมั่นใจแล้วว่า โดนแล้วกูแต่เอาวะเพื่อความชั่วมันมารอบคันเหลือแต่กระจกหน้าที่ยังไม่มาผมตั้งหน้าตั้งตามองไปที่กระจกหน้าแบบตาไม่กระพริบและแล้วมันก็เกิดขึ้นที่กระจกหน้าที่ผมตั้งตาเฝ้ามองอยู่มันค่าหูค่าตาผมมากผมถอนหายใจเฮือกโอเค กูมั่นใจแล้วแต่ว่าผมนัดลูกค้ า, าไว้ขอผูกเนกไทให้เสร็จก่อนผมก็ผูกเนกไทต่อจนเสร็จโดยที่ไม่มีเสียงรบกวนอีกจากนั้นผมก็ออกจากรถไปเข้าห้องประชุมพอประชุมเสร็จผมก็ถามผู้จัดการว่าทำไมที่จอดรถตรงนั้นถึงเป็นสีแดงผู้จัดการก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน มันเป็นมานานแล้วแล้วผมก็เล่าทุกอย่างให้ผู้จัดการฟังแน่นอนว่าผู้จัดการไม่เชื่อผมบอกเขาอีกว่าถ้าให้ผมเดาผมรู้สึกได้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณแปดขวบแล้วผมก็ลาเขากลับขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปขณะที่รถออกจากประตูโรงงานรถผมก็ขยม่มแบบที่เรียกว่า ขึ้นสุดลงสุดทั้งทั้งที่ถนนกเรียบไม่มีหลุมเลยตอนขามาก็ไม่ขย่มแบบนี้ผมรีบจอดรถแต่รถก็ยังขย่มอยู่มันขย่มแรงมากเหมือนมีใครไปกระโดดอยู่บนหลังคาด้วยความที่รถผมพึ่งซื้อและมันโยกแรงเหมือนรถจะพังผมตะโกนไปสุดเสียงว่ามึงจะขย่มทำเฮียอะไร เดี๋ยวรถกูก็พังหรอกลงไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูแช่งนะเว้ยตอนนั้นผมกลัวรถผมพังจริงๆพอสิ้นเสียงตะโกนของผมมันก็หยุดผมจึงขับต่อไปแต่ก็ยังโมโหอยู่บนตลอดทางไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผู้จัดการคนนั้นก็โทรมาหาผมด้วยเสียงที่ตื่นเต้นว่านี่นี่ผมลองถามคนเก่าแก่ดูแล้วนะ เรื่องที่คุณบอกนะ่ะเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะเมื่อก่อนประมาณตีห้ามีลูกคนงานไปเล่นแถวนั้นแล้วเจอรถสิบล้อขนของทับตายคาที่เพราะคนขับมองไม่เห็นแล้วหลังจากนั้นก็มักจะมีคนเห็นวิญ ญ, ญาณ น, น้องเขาเล่นอยู่ตรงนั้นประจําเลยทาสีแดงเอาไว้ผมก็บอกกับผู้จัดการไปว่าผมเจอน้องเขาแล้วครับเล่นเอารถผมเกือบพัง แต่น้องเขาไม่ผิดหรอกครับผมผิดเองที่ไปจอดตรงนั้นแล้วผมก็ผิดเองที่ไปเล่นกับน้องเขาตอนนั้นน้องเขาคว้กระจกรถผมผมก็มองหาผมเดา ว, ว่าเขาเล่นกับผมเล่นซ่อนหาหรือไม่ก็เล่นแจ่อีละมั้งเพราะผมขับรถออกมาคงงอแ ง, งไม่อยากให้ผมกลับเลยขย่มรถซักผมก็ด่าไปซะเยอะคงจอยไปสักพักแหะครับ ผีกดออดหน้าบ้านเคยได้ยินเรื่องที่ว่าถ้ามีคนมากดออดบ้านเวลาตีสาคนในบ้านห้ามทักไหมผมเจอมาแล้วคืนนั้นตีสามมีคนมากดออดที่บ้านผมผมก็ลงไปดูด้วยความที่ผมรู้เรื่องพวกนี้เยอะผมเลยไม่ถามว่าใครเพราะนั่นคือการตอบรับให้วิญญาณเข้ามาในบ้านผมเปิดประตูออกไปดู ปรากฏว่าไม่มีใครแล้วผมก็ขึ้นไปนอนโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าผมได้ทำการทักโดยการเปิดประตูให้วันรุ่งขึ้นมันก็เล่นผมเลยข้าวของในบ้านผมย้ายที่อยู่หมดหัดลมไปอยู่กลางบ้านเก้าอี้ลมข้าวของสลับที่กันหมดผมกลับที่บ้านก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนึกว่าขโมย แต่ดูแล้วไม่มีอะไรหายเพราะเปิดตู้เย็นก็ถึงกับชอ็อกของที่อยู่ในช่องแช่แข็งย้ายมาอยู่ในช่องธรรมดาส่วนของที่อยู่ในช่องธรรมดาก็ย้ายไปอยู่ในช่องแช่แข็งเพราะที่บ้านผมกินน้ำสิงเป็นขวดแก้วขวดน้ำแตกหมดทุกขวดเพราะเย็นจัดของที่อยู่ในช่องฟรีซแล้วมาอยู่ช่องปกติก็เนา่าและละลายหมด ทันใดนั้นผมก็ได้กลิ่นไหม้แล้วได้ยินเสียงผมรู้ทันทีว่าเสียงนั้นมันมาจากเครื่องทำน้ำร้อนแน่นอนผมจึงรีบวิ่งไปดูปรากฏว่ามีควันออกจากเครื่องทำน้ำร้อนผมรีบดึงปลั๊กออกพอราะตรวจดูก็พบว่ามีคนเสียบปลัก๊กโดยที่ในเครื่องไม่มีน้ำอยู่เลยทำให้เครื่องไหม้ต่อด้วยได้ยินเสียง เครื่องไมโครเวฟทำงานผมก็รีบก้มไปปิดและดึงปลั๊กออกทันทีพอเปิดตู้ไมโครเวฟก็เจอช้อนเงินกับช้อนซ่อมอยู่ข้างในเต็มไปหมดผมเริ่มรับมือไม่ไหวเลยไปปลุกแม่ให้มาช่วยรับสถานการณ์พอเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าไม่น่าใช่ผีที่อยู่ในบ้านเราเพราะเขาไม่เคยทำอะไรแบบนี้ แล้วผมก็นึกขึ้นได้เรื่องเมื่อคืนเลยเล่าให้แม่ผมฟังแม่ผมบอกไอ้บ้าแกเปิดประตูให้เขามันยิ่งกว่าทักเขาซะอีกแล้วแม่ก็เลยตะโกนลั่นบ้านว่ามึงหยุดเดีย๋ยนี้กูจะไปทำบุญให้ถ้ามึงไม่เลิกก็อย่าเอาเลยบุญแล้วแม่ผมก็ไปทำบุญโดยให้ผมอยู่บ้านดูสถานการณ์เพราะกลัวว่าไฟจะไหม้บ้าน หลังจากนั้นทุกอย่างก็ดูสงบดีไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกแต่ผีตัวนั้นมันก็ไม่ไปไหนและมันก็อยู่ในบ้านผมต่อเลยผ่านมาสักระยะหนึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ดูเหมือนผีในบ้านมันจะได้ใจมันเที่ยวหลอกคนนั้นคนนี้ไปทั่วจนคนใช้ผมต้องลาออกไปและไม่ว่าจะจ้างใครมาใหม่ เขาก็จะโดนหลอกจนหนีไปทุกครั้งการงานพ่อผมก็แย่ลงเรื่อยๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นแม่ผมก็ค้าขายไม่ได้เลยจนแม่ผมทนไม่ไหวตะโกนด่าผีอีกเช่นเดิมพวกมึงมาขออยู่ทำไมไม่ช่วยเหลือกูบ้างหวยอะเคยบอกกูสัก ง, งวดไหมพอถึงตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ผมถึงให้พวกเขามาอยู่ ก็คงเ่อจะเอาหวยนี่เองปัดโถแล้วแม่ผมก็พูดต่อกูให้อยู่ทำบุญให้ก็ดีแล้วพวกมึงยังจะก่อความเดือดร้อนอีกมาหลอกลูกกูมั่งหลอกลูกค้ามั่งหลอกพนักงานมั่งต่อไปนี้กูขอสั่งเลยว่าให้พวกมึงอยู่ได้แค่ชั้นสามของบ้านห้ามลงมาเด็ดขาดไม่งั้นก็ออกไปซึ่งที่บ้านผมจะมีอยู่สามชั้นครึ่ง มีชั้นหนึ่งชั้นลอยชั้นสองและชั้นสามผมรีบส ก, กิดแม่ทันทีหลังจากแม่พูดจบแม่แม่ชั้นสามมันห้องพระไม่ใช่หรอแม่ก็บอกช่างมันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เรื่องของมันที่ชั้นสามจะแบ่งออกเป็นสองห้องห้องแรกถ้าเดินขึ้นไปก็จะเจอห้องเก็บของห้องต่อไปคือห้องพระ และเป็นห้องนอนคุณชัยด้วยตั้งแต่นั้นมาดูเหมือนพวกเขาจะเชื่อฟังพอสมควรเหตุการณ์อะไรแปลกๆเริ่มน้อยลงแต่ได้อย่างอื่นมาแทนพวกผมนอนห้องเดียวกันหมดซึ่งอยู่ชั้นสองอยู่ใต้พวกเขาพอดีและความกวนประสาทก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผีเล่นลูกแก้ว หลังจากพวกผีทั้งหมดไปอยู่ที่ชั้นสซึ่งอยู่บนห้องนอนของครอบครัวผมผมคิดว่าพวกมันคงอยากประทวงมันเลยหาวิธีที่กวนและน่ารำคาญที่สุดมากันแกร้งครอบครัวผมทุกคืนเวลาห้าทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่บ้านผมกำลังจะหลับกันก็ได้ยินเสียงคนดีดลูกแก้วกระทบกันไปมาจนเงียบแล้วก็ดีดซ้ำอีกมันจะเล่นอยู่แบบนั้นทั้งคืน มันเล่นกันทั้งคืนจริงๆจนเช้าครอบครัวผมต้องทนฟังเสียงเล่นลูกแก้วทุกคืนทุกวันนานหลายปีวันไหนแม่ผมทนไม่ได้ก็เอาไม้กวาดกระทุ้งเพดานแล้วก็พูดว่าเงียบๆว้ยคนจะนอนพอสิ้นสุดเสียงแม่มันก็เงียบไปสักพักแล้วก็เล่นต่อ ผีชั้นสาเนื่องจากชั้นสามเป็นห้องเก็บของและห้องพักมันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผมจะต้องขึ้นไปบ่อยๆไปหาของมัง่งไปเปลี่ยนน้ำพรกทุกวันพากเพราะมีผมกับแม่แค่สองคนที่กล้าพอจะขึ้นไปชั้นสามผมเคยลองให้เพื่อนๆผมที่มาเที่ยวบ้านบอกให้มันขึ้นไปหยิบของชั้นสาม โดยที่ผมไม่ได้เล่าอะไรให้มันฟังทั้งสิน้นทุกคนได้แต่ยืนอยู่หน้าประตูทางขึ้นชั้นสามโดยไม่มีใครกล้าขึ้นไปสักคนทุกคนจะบอกเหมือนกันว่าไม่รู้ทำไมแต่ขามันไม่ขยับเหมือนร่างกายมันบอกว่าอยากขึ้นไปแล้วพวกมันก็ถามว่าชั้นสามมีอะไรผมจึงเล่าให้พวกมันฟังและพวกมันทุกคนก็มาด่าผม ทุกครั้งที่ผมขึ้นไปชั้นสามขนาดผมเป็นคนไม่กลัวยังรู้สึกว่าบรรยากาศมันน่าขนลุกมากเหมือนอากาศมันมีน้อยหายใจไม่สะดวกผมต้องเดินผ่านห้องเก็บของเพื่อไปเปลี่ยนน้ำในห้องพักระหว่างทางก็เดินผ่านของเก่ารุ่นคุณปู่คุณย่ามากมายแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ติตาผมที่สุดคือชั้นกระจก่องหน้า เก่าแก่พอสมควรน่าจะ50กว่าปีได้ซึ่งทุกครั้งที่ผมเดินผ่านครับผมหันไปมองผมจะเห็นชายชาราอยู่ในกระจกทุกครั้งในลักษณะแบบเห็นเต็มใบหน้าไม่ได้เห็นเป็นตัวเล็กๆหรือเงาลางๆผมเห็นครั้งแรกผมก็ตกใจและก็ทําเป็นไม่เห็นเดินผ่านไปทุกครั้งที่ผมเดินผ่านถึงผมจะไม่หันไปมอง ผมก็รู้ได้ว่าเขามองผมอยู่ตลอดขน ผ, ผมจะลุกชูชันทุกครั้งที่ไปเปลี่ยนน้ำพระเพราะผ่านไปได้ก็จะเจอประตูทางเข้าห้องพระซึ่งจะไม่เคยปิดและจะเปิดไฟในห้องนี้ไว้ตลอดไม่เคยปิดเลยยกเว้นหลอดขาดพอเข้าห้องพระมา ก, ก็จะเจอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกอุ่นใจขึ้นเลยแม้แต่น้อย ห้องพระห้องนี้แหละที่แรงที่สุดในบ้านผมเลยอยู่ได้ไม่เกินหนาทีต้องรีบเปลี่ยนรีบไปเหมือนพวกวิญญาณพวกนี้จะไม่ได้กลัวพระสักเท่าไหร่ตรงห้องพระจะมีประตูเปิดไปที่ระเบียงเล็กๆและที่ระเบียงเล็กๆจะมีพยาคุดหนึ่งองค์แม่ผมนำมาตั้งไว้แก้อาถรรพ์ทางสามแพรงโดยวางพยาคุดไว้อยู่ตรงกับซอยพอดีเป๊ะ และหันหน้าออกเพื่อสู้กับอาถรรนั้นเชื่อไหมว่าทุกครั้งที่ผมขึ้นไปจะงอยปากของพยาคุดจะกุดลงเรื่อยๆทุกวันท่านก็สู้อยู่แต่เหมือนที่ตรงนี้มันจะแรงเกินหลังจากที่ผมทำธุระเสร็จก็ถึงเวลากลับตอนขากลับเนี่ยบอกเลยว่าน่ากลัวกว่าตอนมาเยอะถ้าวิ่งได้ก็วิ่งเพราะตอนกลับ มันจะมีความรู้สึกว่าตัวเราจะหนักเหมือนมีคนดึงอยู่ไม่ให้ไปทางเดินสั้นๆก็กลายเป็นยาวเดินแสนยาวนานกว่าจะถึงบันไดลงต้องเดินผ่านคนแก่ที่กระจกอีกหนึ่งรอบพอเดินถึงบันไดลงปุ๊บประตูทางขึ้นชั้นสามที่ตอนแรกผมเปิดไว้แล้วเอาของวางกันไม่ให้ประตูปิดอยูๆ่ๆมันก็จะปิดเอง เป็นแบบนี้ต่อหน้าต่อตาผมทุกครั้งที่ผมเดินถึงบันไดไม่ว่าผมจะเอาอะไรไปวางขวางไว้ไม่ให้มันปิดก็ไม่ได้ผลผมต้องรวบรวมสติให้ตัวผมนั้นไม่ตกใจโดยการพูดออกไปว่าปิดเหอพ่อมึงเหรอกูถือของอยู่กูจะเปิดยังไงแล้วผมก็เอื้อมมือไปเปิดเพราะก้าวลงมาชั้นสองเท่านั้นอากาศก็กลับมาเป็นปกติ ตัวที่แสนหนักอึ้งของผมก็เบาลงผมสูดหายใจได้เต็มปอดอีกครั้งแล้วผมก็อุทานในใจว่าเฮ้อรอดแล้วเราเป็นแบบนี้ทุกครั้งผีช่วยชีวิตตอนที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นผมน่าจะอยู่ม3วันนั้นเป็นวันเสาร์ ผมนอนเล่นอยู่ในห้องคนเดียวอยู่ดีๆผมก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สบายหนักมากหายใจไม่ออกตัวร้อนมากเหงื่อออกทั่วตัวไม่มีแรงจะขยับไปไหนตอนนั้นรู้สึกอย่างเดียวเลยว่าตายแน่ๆจะตะโกนให้แม่ช่วยก็ไม่มีเสียงผมได้แต่นอนนิ่งๆแล้วก็พูดในใจว่าใครก็ได้ช่วยผมด้วยผมยังไม่อยากตาย ทำไมตอนนั้นผมถึงคิดว่าผมจะตายก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นผมไม่ไหวแล้วจริงๆและผมก็ได้ยินเสียงเปิดประตูผมใช้แรงทั้งหมดท่งมาที่เปลือกตาเพื่อลืมตาขึ้นมาดูว่าใครมา ผมลืมตาได้แค่ข้างเดียวแต่ก็ไม่เห็นใครเข้าห้องมาแต่ผมกลับได้ยินเสียงคนกำลังเดินเข้ามาหาเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆตอนนั้นผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะผมไม่ไหวแล้วและบริเวณเตียงที่อยู่ข้างๆผมก็ยุบลงไปเหมือนมีคนมานั่งผมพูดในใจว่าช่วยผมด้วยทัานใดนั้น ผมก็รู้สึกว่ามีคนเอามือที่เย็นเฉียบมาวางที่ปลายเท้าผมแล้วค่อยๆลูบขึ้นมาที่หัวผมตรงไหนที่มือเขารูปผ่านผมจะรู้สึกเย็นสบายทันทีพอมาถึงช่วงตัวผมรู้สึกได้ว่าเวลาเขารูปผ่านมันรู้สึกดีมากเย็นสบายตัวเพราะเขารูปมาจนถึงหัวผม ผมก็หายไข้ทันทีเดี๋ยวนั้นเลยและผมก็เด้งตัวขึ้นมาสำรวจตัวเองดูไม่น่าเชื่อเฮ้ยหายแล้วจริงๆด้วยแล้วผมก็มองไปที่ร่องเตียงที่ยุบลงไปมันยังคงยุบอยู่เหมือนเขายังนั่งหยุดตรงนั้นผมคุกเข่าและกราบเขาทันทีไม่ว่าเขาจะเป็นใครหรือเป็นอะไรก็ตามแต่เขา ช่วยชีวิตผมไว้ผมขอบคุณมากและรอยยุบก็ค่อยๆหายไปตั้งแต่นั้นมาผมก็รู้เลยว่าในบ้านผมก็ยังมีผีดีๆอยู่เหมือนกันในบ้านหลังนี้มีตัวผมสองคนไม่ว่าใครเพื่อนบ้านที่มาหรือแม้กระทั่งคนในบ้านผมเอง ก็จะเจอเหตุการณ์ประหลาดประหลาดคือเขาจะเจอตัวผมอีกคนครั้งแรกที่มีการเจอผมสองคนนั้นคือตอนหมอต้นเพื่อนผมมาเที่ยวที่บ้านมันชื่อไอ้กบผมกับกบสนิทกันมากมีอยู่ครั้งหนึ่งมันมาเยี่ยมผมซึ่งไม่ค่อยมีเพื่อนผมยอมมาหาผมที่บ้านสักเท่าไหร่พอมากี่คนก็เจอกันทุกคนเมื่อกบมาถึง ผมก็ให้มันนั่งเล่นเกมไปก่อนส่วนตัวผมเดินขึ้นไปห้องนอนไปเปลี่ยนเสื้อเพราะผมเดินลงมาอีกครั้งผมก็ได้ยินเสียงไอ้กบกาลังคุยกับใครบางคนอยู่คุยอย่างสนิทสนมผมยืนฟังอยู่นานก็งงว่ามันพูดกับใครในสมัยนั้นยังไม่มีมือถือจะมีก็แต่เพจเจอร์เพราะผมเดินไปหามัน ผมกำลังจะถามมันว่าคุยกับใครมันก็พูดสวนผมขึ้นมาเลยว่าไหนละน้ำกูผมงงน้ำอะไรของมึงก็เมื่อกี้ที่มึงยืนหยุดตรงตู้เย็นแล้วถามกูว่าจะเอาน้ำไหมกูก็บอกเอาไหนละน้ำกูกูขึ้นไปข้างบนมาตั้งแต่มึงเข้าห้องอะไปเปลี่ยนเสื้อพึ่งลงมากูยังไม่ได้คุยอะไรกับมึงเลยกูกำลังจะถามอยู่เนี่ยว่ามึงคุยกับใคร แล้วมันก็ยังเถียงผมอยู่ผมจึงบอกมันไปว่ากูดีใจกับมึงด้วยวะกูว่ามึงเจอแล้วละ่ะเท่านั้นแหละไอ้กบมันก็ไม่พูดอะไรต่อแล้วเก็บของกลับบ้านไปเลยหลังจากนั้นมันก็ไม่มาหาผมที่บ้านอีกเลยต่อมาก็เป็นน้องสาวผมตอนนี้ผมเรียนจบแล้วและกำลังจะพาน้องๆ อ, ออกไปหาอะไรกินแถวบ้านผม ก็เดินขึ้นไปชั้นบนไปห้องนอนเพื่อเปลี่ยนเสือ้อพอเปลี่ยนเสร็จผมก็เปิดประตูห้องออกมาก็เจอน้องสาวผมยืนอยู่ตรงหน้าห้องพอดีพอน้องเห็นหน้าผมที่กำลังจะออกมาจากห้องเธอก็ร้องกรีดเสียงดังลั่นน้ำตาไหลตัวสั่นแบบช็อกสุดๆผมเขย่าตัวน้องแล้วถามว่าเป็นอะไรใจเย็นๆมีอะไรก็บอกมา ตั้งสติก่อนน้องผมก็บอกว่าเมื่อกี้น้องเพิ่งคุยกับผมขณะที่ผมกำลังเดินลงไปข้างล่างน้องจึงบอกผมให้หยิบของขึ้นมาด้วยแล้วผมคนนั้นก็ตอบว่าเออพอน้องผมเดินขึ้นมาชั้นสองเพื่อที่จะเข้าห้องไปเปลี่ยนเสือ้อก็เจอผมเปิดประตูออกมาไม่รู้ว่าผมมาได้ยังไงเมื่อกี้ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลย ผมจึงเรียกน้องชายผมให้มาอยู่กับน้องสาวผมแล้วผมก็วิ่งลงไปชั้นหนึ่งเพื่อหาตัวนั้นว่ามันอยู่ไหนมาหลอกน้องผมได้ผมอยากจะต่อยมันสักหมัดแต่ก็ไม่มีใครอยู่เลยทุกวันนี้เรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องเล่าทุกครั้งที่ครอบครัวผมมากินข้าวด้วยกันคนต่อมาที่เจอตอนนั้นผมเปิดร้านเกมที่ชั้นหนึ่ง ก็จ้างคนคุมร้านซึ่งก็เป็นพวกเพื่นอนๆกับน้องๆแถวบ้านมีอยู่คืนหนึ่งผมตื่นมาตอนตีสามผมหิวมากก็เลยเดินลงมาเพื่อจะไปเซเวน่นพอผมเดินลงไปถึงก็เห็นว่าไอ้น้องผมที่เป็นคนคุมร้านมันทำหน้าช็อกสุดๆมองผมตาขวางผมก็บอกมึงเป็นหาอะไรกูจะไปเซเว่นมึงจะเอาอะไรไหม แต่มันก็ยังมองผมด้วยอาการอึ้งอยู่สักพักมันก็บอกผมว่าพี่กลับมาตอนไหนทำไมผมไม่เห็นกลับมาอะไรของมึงกูเพิ่งลุกจากที่นอนแล้วลงมาเนี่ยแล้วมันก็หน้าซีดขน ล, ลุกยังเห็นได้ชัดมันบอกผมว่าเมื่อกี้ตัวผมเพิ่งลงมาแล้วก็ถามมันว่าจะไปเซเว่นจะเอาอะไรไหม ผมก็บอกมันอีกครั้งว่าผมพึ่งลงมาแล้วพูดว่าไอ้คนที่คุยมึงอะมันใส่ชุดอะไรก็ชุดนี้แหละพี่แล้วมึงฝากมันซื้ออะไรหรือเปล่าล่ะเปล่าดีแล้วที่ไม่ฝากถ้าฝากเดี๋ยวมันก็ออกมาให้ <laughs> แล้วผมก็ไปเซเว่นฮีอิสลาม เรื่องนี้มันเป็นต้นเหตุของความหลอนภายในบ้านเลยก็ว่าได้ครอบครัวผมเคยจับข้าคุยกันหลายครั้งว่าจะย้ายหนีไม่ไหวแล้วนอกจากจะเจอหลอกเจอเสียงลูกแก้วและอีกต่างๆนานาแต่สิ่งที่เจอนั้นมันก็ไม่เท่าไรที่หนักที่สุดก็คืออยู่แล้วไม่เจริญทำอะไรก็เจ๊งหมดครอบครัวมีแต่เรื่องทะเลาะ ก, กันอยู่แล้วไม่มีความสุข แต่พอคิดจะซื้อบ้านใหม่ที่ไรก็จะมีปัญหาทำให้ซื้อไม่ได้ทุกครั้งพอทำธุรกิจอะไรก็จะมีเรื่องแปลกๆมาทำให้เจ๊งตลอดและแล้วก็มีคืนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเจอตัวการใหญ่ของวิญญาณเฮียนในบ้านหลังนี้นั่นคือหีอิสลามทั้งห้าตนคืนหนึ่งผมได้ฟันว่า มีคนพยายามจะพังประตูเข้ามาในห้องนอนผมผมก็เอาตัวดันไว้ไม่ให้เข้าแล้วก็ถามว่าจะเข้ามาทำไมไม่ให้เขา้าเขาก็บอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยจะไม่ทำร้ายผมจึงให้เข้ามาแล้วบอกว่ามีอะไรก็รีบคุยแล้วผมก็เปิดประตูให้เขาสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นคือ คนอิสลามห้าคนเดินเรียงกันเข้ามาภายในห้องแม้ในตอนนี้ผมก็ยังจำหน้าตาบุคคลได้แม่นยำมีเด็กประมาณมต้นหนึ่งคนประถมสองคนคนวัยสปีหนึ่งคนและคนแก่หนึ่งคนทุกคนล้วนเป็นผู้ชายหมดเขาใส่ชุดที่จะไปละหมาดและทุกคนก็หน้าตาเหมือนคนใต้แถวสามจังหวัดชายแดน ผมก็เริ่มคุยกับเขาแต่การคุยกันนี้ไม่มีการขยับปาเหมือนคุยกันทางจิตผมถามว่าเขาต้องการอะไรพวกเขาก็บอกว่าพวกเขาหิวมากทรมานมากเราไม่ทำบุญให้เขาเลยด้วยความที่ในฝันผมโมโหอยู่ผมก็บอกว่าเออเออเดี๋ยวทำบุญไปให้รีบๆไปได้แล้วคนจะนอน แล้วผมก็ตื่นขึ้นเมื่อผมกลับมานั่งทบทวนดูแม่ผมก็ทำบุญบ่อยทําไมคนพวกนี้ไม่ได้แล้วอีกอย่างที่ผมแปลกใจก็คือผมเจอผีทุกตัวที่แม่ผมให้อยู่หมดแล้วแต่ทำไมไม่เคยเจอห้าคนนี้ผมก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ถามว่าคนอิสลามห้าคนเหรอแม่ไม่เคยเจอเหมือนกันไม่เคยให้อยู่ด้วย พรแม่ผมไม่เคยเจอเลยไม่รู้ว่ามีผีห้าตนนี้อยู่ก็เลยไม่ได้ทำบุญให้และแล้วผมกับแม่ก็ไปทำบุญให้พอทำบุญให้ก็มีปัญหาเลยของในบ้านแตกบ้างพังบ้างทำอะไรก็มีปัญหากันหมดแม่กับผมก็เลยไปหาหมอดูที่เขาบอกว่าแม่นมากอาจารย์ก็บอกว่าที่บ้านผมเป็นแบบนี้ พอมีผีสลามห้าตนคอยดึงอยู่ผมกับแม่ตกใจสะดุงเขารู้ได้ยังไงผมก็บอกว่าผมเคยเจอแล้วแต่ก็ทำบุญให้แล้วเขายังต้องการอะไรอีกท่านอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่บ้านผู้อยู่เบื้องหลังก็คือผีห้าตนนี้แหละเป็นเหมือนหัวหน้าแกงพวกเขาตายและถูกฝังอยู่แถวนั้นมาก่อน ก่อนที่บ้านหลังนี้จะสร้างแล้วมีพวกเรามาอยู่แถมยังเป็นทางสามแพ่งและแม่ผมก็ยังใจดีให้พวกผีเร่ร่อนมาอยู่มันก็เลยเอาไปเป็นลูกน้องซะผมกับแม่ก็มองหน้ากันอีกรอบแปลกใจว่าอาจารย์เขารู้ได้ยังไงแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเขาไม่ชอบอย่างมากที่บ้านผมกินหมูหรือเอาอาหารที่เป็นหมูเข้าบ้านแต่ครอบครัวผมเป็นโูต มันก็เลยเป็นประเด็นเขาต้องการให้ครอบครัวผมเปลี่ยนมาเป็นอิสลามกันทั้งบ้านซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่เมื่อปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีให้เขาออกไปอาจารย์ก็บอกว่าไม่มีทางเพราะเขาอยู่ของเขามาก่อนแล้วเราตัางหากที่ไปรบกวนเขาทางแก้มีทางเดียวคือย้ายออกผมกับแม่ก็บอกอาจารย์ว่า พยายามย้ายออกหลายครั้งแล้วแต่ก็มีเหตุให้ไปไม่ได้ตลอดทุกครั้งอาจารย์จึงบอกว่าอย่าให้มันรู้สิว่าเราจะออกพวกผีเหล่านั้นอยู่ได้แต่ที่บ้านเราก็ออกไปข้างนอกดูบ้านไว้พอได้บ้านถูกใจก็เงียบไว้ห้ามทุกคนในบ้านคุยเรื่องบ้านใหม่เด็ดขาดห้ามให้พวกเขาได้ยินหรือรู้ว่าเราจะย้ายออกเด็ดขาดพอได้บ้านแล้ว ก็ค่อยๆขนของออกมาทีละชิ้นของทุกชิ้นต้องแปะยันไม่ให้ผีเข้าไปสิงตามเรามาเพราะขนของหมดเราก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาอีกเมื่อได้รู้ดังนั้นแม่ผมก็โมโหมากกลับมาถึงบ้านแม่ผมก็ด่ากลาดเลยแม่ผมทะเลาะ ก, กับผีบ่อยมากและก็แค้นมากด้วย แม่ผมแค้นถึงขนาดให้บะหมี่หมูแดงมาขายที่หน้าบ้านคิดดูแล้วกันผมกับแม่ก็ทำตามที่อาจารย์บอกทุกอย่างและก็เป็นจริงอย่างที่อาจารย์ว่าไว้การซื้อบ้านใหม่ครั้งนี้ทุกอย่างราบรื่นจนซื้อบ้านสำเร็จและก็ค่อยๆขนของหนีผีออกมาทีละชิ้นเราใช้เวลาย้ายของหนึ่งเดือนเต็มกลัวมันจะตามมาอีกมันตลกมาก ที่ทุกคนในบ้านคุยเรื่องบ้านใหม่ไม่ได้จะคุยต้องขับรถออกไปคุยข้างนอกบ้านและแล้วเราก็หลุดพ้นจากบ้านหลังนั้นมาได้หลังจะอยู่บ้านหลังใหม่เราก็ทำอะไรดีไปหมดที่แย่ๆก็กลับมาดีการเงินก็ดีขึ้นและครอบครัวผมก็ได้เริ่มชีวิตใหม่อีกครั้ง 怎么作用？